ท่านน้อมกับท่านพระอาจารย์พร้อมกันค่ะกรา บ, ลบและนาท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะเริ่นพรตอนใจสายทุกท่านจนนั่งตามสบายมีคำถามมาแล้วเหรอ <c oughs> กาบเรียนผ้าอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงถ้ามีความสงสัยหรือลังเลใจในระหว่างปฏิบัติจะทําอย่างไรสงสัยหรือลังเลใจระหว่างการปฏิบัติจะทําอย่างไรอันนี้มันเป็นมันเป็นเป็นนิวร อ, อย่างหนึ่งความสงสัยลังเลใจนะ สงสัยว่าที่เราทําอยู่นี้มันใช่ไหมสงสัยว่าที่ทําอยู่นี่จะพาเราไปเข้าใจจังนั้นจริงไหมความสงสัยอย่างเนี้ยมันก็จะเป็นตัวขวางกัน้นเป็นตัวขวางกัน้นเราพะพุทธเจบอกว่ า, วานิวรณ์ทั้งหลายเนี่ยมันจะไม่สามารถมีกําลังหรือครอบงำเราได้ เมื่อเรามีความตั้งมั่นของใจคำว่าตั้งมั่นของใจเนี่ยคนไม่จะเข้าใจว่าเป็นเรื่องของการทำสมาธิให้มันนิ่งสงบแล้วนิวรณจะเข้าแทรกไม่ได้เข้าใจยังไม่ถูกทั้งหมดคำว่าตั้งมั่นของใจคือเรามีใจที่จะตั้งมั่นที่จะมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งนั้นอยู่ยืนยันเจตนาลมให้ใจเราเปนทั้งมั่นตรงนั้นได้จริง กับสิ่งที่เราทำกรรมฐ า, านเบื้องต้นอย่างสมมติเราใช้การเคลื่อนไหวสร้างจังหวะเป็นกรรมฐ า, านเบื้องต้นถ้ามันมีความลังเลจใจมีความสงสัยอยู่สิ่งที่เราควรทำคือตั้งใจให้มากขึ้นใส่ความตั้งใจในการทำเคลื่อนแล้วหยุดเคลื่อนแล้วหยุดใจที่จดจ่ออยู่กับการเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดจะท า, กกาให้มันสามารถสลัด ความรังเลยสงสัยตรงนี้ไปได้เข้า mm hmm. ใจไหม mm hmm. mm hmm. เพราะฉะนั้นตัวนี้วานจะถูกละทิ้งไปมาอยู่ที่ความรู้สึกตัวที่ชัดขึ้นแล้วพอความรู้สึกตัวที่มันชัดขึ้นแล้วมันเห็นชัดมันเห็นชัดเรื่องของการ เ, าเรื่องของเรื่องของ มันเห็นใช้เรื่องความรู้สึกตัวที่สามารถแยกกายแยกจิตเป็นแยกรูปแยกนามได้เห็นอาการของกายอาการของจิตพอมันเข้าไปถึงตรงนี้ปุ๊บมันจะเข้าใจความจริงเขาเรียกว่าวิปัสนาญาณมันก็จะเกิดขึ้นเห็นตามความเป็นจริงว่าที่เราเห็นเป็นเราเนี่ยแท้จริงมันคือองค์ประกอบของกายใจองค์ประกอบของกายของจิตของรูปของนามของกายเวทนาจิตธรรมพอมันเห็นอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้ปุ๊บ ความลังเลสงสัยในฐานะแห่งความเป็นสังโยชนี่มันลึกขึ้อีกแล้นะไอ้ลังเลสงสัยตัวแรกเป็นแค่นิวรเข้าใจไหมลังเลสงสัยเนี่ยอนนันแรกเป็นแค่นิวรแต่ไอ้ลังเลสงสัยในตัวที่สองที่พระอาจารย์พูดถึงเนี่ยพอมันได้ผลการปฏิบัติเนี่ยความลังเลสงสัยในรดับลึกคือลังเลสงสัยว่าความมีอยู่แห่งพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงไหม ความรังเลยสงสัยตอนนี้จะถูกทำลายไปเพราะผลการปฏิบัติมันเริ่มออกมาให้เห็นเข้าใจไหมเพราะฉะนั้น ต, ต่อจากนั้นไปความวังเลยสงสัยจะไม่มีอีกแล้วทั้งในระดับของนิวรทั้งในระดับของสังโยชน์เข้าใจปะมันจะมุ่งไปสู่การเรียนรู้เรื่องการดับทุกข์ทันทีเพราะมันเห็นแล้วว่าที่ปรากฏให้เห็นอยู่นี้คือกายกับจิตนั้ น, นกายเวทนาจิตธรรมได้แสดงตัวให้เราเห็น ไอ้ไม่พอเรายังมองไปเห็นว่าเราได้กําหนดรู้ <c oughs> เห็นว่ากลายเป็นก้อนทุกข์จิตเป็นทุกข์อยู่ในตัวเขาเองไอ้ไปตามกฎพระไตรไลักษณ์เพราะฉะนั้นมันก็จะมุ่งไปสู่การเรียนรู้เรื่องทุกข์และการดับทุกข์จึงเรียกว่าผู้เข้าสู่กระแสนะความรังเลสงสัยมันมีสองระดับใช่หรือไม่เป็นรังเลสงสัยในระดับของนิวรณ์ซึ่งมันจะเป็นขวางขวางเรืาการปฏิบัติไอ้ตรงนี้ไอ้ใช้ความตั้งใจ ให้เราตั้งใจเพิ่มขึ้นเข้าใจไหมให้ตั้งใจเพิ่มขึ้นตั้งใจตั้งใจแล้วตั้งใจมั่นที่จะเดินบนเส้นทางนี้หมายความว่าให้เราตั้งใจมันน่นดีว่าเราจะทำความรู้สึกตัวเคลือ่อนหยุดเคลือคล่อนหยุดแล้วกส็สังเกตมันทีนี้พอเราสังเกตไปสังเกตมามันเข้าใจความจริงแยกแยะได้อย่างนี้ปุ๊บผลการปฏิบัติปรากฏขึ้นกับเราปุ๊บก็นบนงเลยสงสัยในระดับของสังโยชน์ก็จะถูกทำลายไปด้วยเข้าใจม ในขณะเจริญสติแบบยกมือหรือเดินจงกรมจะเห็นรูปกายหรือเสียงหรือกลิ่นในความคิดเป็นเรื่องราวพยายามยกมือหรือเดินแล้วให้รู้สึกตัวแต่ภาพเสียงกลิ่นยังอยู่คนทําอย่างไรคือมันไม่หายไปโอ้ดีจังฟังสิดีจัง ที่คุณสามารถเห็นว่าภาพในความคิดของคุณนั้นมันสามารถเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิน่นนี่คือนามรูปที่ถูกสร้างขึ้นภายในใจของเรานามรูปเหล่านี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่ใจมันปรุงแต่งขึ้นโดยใช้สัญญาที่มี มาเป็นข้อมูลในการเทียบปรุงแต่งในระบบของปฏิจจสมุปบาทเมื่อสังขารปรุงแต่งก็เกิดเป็นนามมารูปและนามมารูปก็คือร่องรูปรอยแห่งความคิดนั้นมันก็เป็นได้ทั้งเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์และธรรมารมจึงเรียกมันเป็นสลายตนะเข้าใจไหมจึงเรียกมันเป็นว่ามันเป็นสลายตนะคือมันเป็นทั้งรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยคุณบอกว่าคุณเห็น เห็นภาพความคิดของคุณน่มันเป็นทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นมเป็นะทั้งรถเป็นทั้งสัมผัสมีทุกอย่างเลยมันสร้างมันสร้างขึ้นในใจทีนี้คุณบอกว่าพยายามยกมือยกมือเดินแล้วให้รู้สึกตัวแต่ภาพมันก็ยังคงอยู่ควรทำอย่างไรไม่ต้องทำอะไรคุณมีหน้าที่ทำความรู้สึกตัวและเห็นมัน มันจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันเห็นมันและอยู่กับความรู้สึกตัวถ้าเห็นอาการว่ามันไม่หายไปสักทีคุณสังเกตไหมว่าภาวะที่คุณกำลังเป็นต่อจากนี้คืออยากให้มันหายแล้วมันไม่หายแต่คุณก็ยังอยากให้มันหายเพราะตอนนี้ทุกข์หรือ ย, ยังตกลงทุกข์เพราะภาพความคิดเกิดขึ้น หรือทุกเพราะทุกเพราะมีตัวตนก็ไปเป็นความอยากความไม่อยากามันใช่หรือไม่ไม่อยากให้มันมีไม่อยากให้เกิดอยากให้มันดับเนี่ยมันมีตัวตนเราเข้าไปรองรับในความไม่ต้องการเข้าใจอย่า ง, งเนี้เนี่ยอมันก็เลยกลายเป็นทุกข์เพราะความทุกข์ไม่ได้เกิดจากภาพที่มันเกิดในไม่ในไม่ใช่ภาพความคิดที่มันเกิดแล้วมันทําให้เราทุกข์ แต่เราเป็นทุกข์เพราะความพอใจความไม่พอใจในภาพที่มันปรากฏขึ้นในใจเราต่างหากอันนี้ชัดมากเลยนะนี่คือสิ่งที่อาจารย์กำลังอยากอธิบายเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทเลยว่าเอาเข้าจริงๆชีวิตเราเป็นทุกข์ไม่ได้เป็นทุกข์เพราะภาพที่เห็นอยู่ข้างหน้าแต่มันทุกข์เพราะภาพที่มันสร้างอยู่ข้างในเราไม่ทุกข์เพราะกลิ่นที่ได้กลิ่นอยู่ข้างหน้าแต่มันทุกข์เพราะกลิ่นที่อยู่ข้างใน เราไม่ได้ทุกข์เพราะเสียงที่ได้ยินอยู่ข้างหน้าแต่มันทุกข์เพราะเสียงที่สร้างอยู่ข้างในนี่คือเรื่องจริงอะ่ะบางทีไอ้ภาพข้างหน้ายังไม่เจอเลยครับแค่มีคนถามต่ ว, ว่าเราไม่ชอบหน้าใครสักคนหนึ่งอะ่ะแล้วก็มีคนมาถามว่าพี่ได้ข่าวพี่คนนี้บ้างไหม ภาพที่อยู่ข้างหน้าเราคือไอ้คนหนึ่งที่มัมาถามถึงไอ้คนนั้นแต่เรากับขุนขึ้นทันทีเราขุนขึ้นทันทีเพราะไอ้คนที่มาถามนี้ใช่ไหมไม่เพราะไอ้นี่ถามปุ๊บมันกระตุ้นเห็นภาพไอ้นั่นแต่ไอ้นั่นน่ยไม่ได้มาหาเราไม่เห็นเลยแต่ภาพไอ้นั้นมันโผล่ขึ้นกลางใจเราเนี่ยนี่ต่างหากที่ทําให้เราขุนทันทีแล้วเราก็แหวกกลับไปใส่แล้วมันเป็นพ่อแม่กูไหม ที่คุยจะต้องรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนมันทำอะไรเห็นไหมใช่หรือเปล่าตกลงไอ้ไอ้ไรูปไอ้คนเนี้ยที่อยู่ตัวหน้าเรามันทำให้เราเป็นทุกข์ไหมไม่แต่ที่เรากระลังหดหดเป็นโกรธเป็นทุกข์เพราะเพราะรูปไอ้คนนั้นอีกคนหนึ่งที่มันถูกถามหาแล้วไม่เป็นคนที่เราไม่ชอบเห็นไหมเนี่ยชัดเจนมากเราไม่ชอบมันไอ้ภาพนีแต่ถ้าเราเห็นมันโผล่ขึ้นมาแล้วก็ จบเข้าใจไหมเราไม่ได้เกิดความพอใจความไม่พอใจจนไปสู่ตัณหาอุปาทานกันหรือไม่แล้วแค่เห็นแล้วนี่ไงนา ม, มารูปเกิดเนี่ยให้เราเรียนรู้เนี้ยนี่ไงนา ม, มารูปเกิดแหละจบจบแค่นั้นพอทักก็นา ม, มารูปเกิดก็จบแล้วแต่ถ้าเรื่องราวไอนะ้นั้นมันรดเล่นอยู่ในใจเราก็เป็นเรื่อง เพราะหลายๆครั้งที่เราเกิดอาการงุดหงิดเรางดหงิดกับเรื่องบางเรื่องเรางดหงิดกับสิ่งบางสิ่งอยู่ในใจเรากุ้นๆอยู่แล้วพอมีใครมาสะ ก, กิดที่ไปแตะไอ้เรื่องตรงนั้นเมื่อไหร่พบสังเกตได้คนนั้นโดนทันทีแต่บางทีมันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรหรอกแต่ตอนนั้นเราก็ระ ง, งุดหงิดไอ้เรื่องตรงนี้เราคลี่คลายมันไม่ออกเราจัดการมันไม่ได้ เชื่อไหมว่าบางครั้งเราก็ละฟาดงวงฟาดงาใส่คนอื่นเฉยเลยมีไหมหัดรู้ซะบา้างตอนนี้กูหงุดหงิดแน่แล้วกูจะรู้ก็บมึงไหมเนี่ยคือตัวเองหงุดหงิดอยู่ข้างในกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทในใจอะเข้าใจไหมแล้วหงุดหงิดเป็นเรื่องในใจเราอะแต่อีกคนที่มาอยู่ข้างนอกอะเขาไม่ได้เรื่องเราแต่โดนฟาดงวงฟาดงามีไหมเคยเป็นไหมเคยอาจารย์เคยเป็น คิดถึงพอพูดถึงนิดนี้มันภาพมันขึ้นมาเลยนะภาพที่อาจารย์คว้างเก้าอี้ใส่เพื่อนสำไมเรียนหนังสือโกรธไอ้คนหนึ่งอยู่ไอ้คนหนึ่งมันมาโมโหคว้างเก้าอี้ใส่มันโอ้โหแผลลึกเลยรู้ตัวไอ้ทีตายแล้วเนี่ยพูดเมื่อกี้มันเขึ้นมาเมื่อกี้เลยนะอพูดปั๊บมันขึ้นมาเมื่อกี้ว่าไปฟันหัวฟันขนาเฮมีวะ ใครเคยเป็นบ้างอะไรจะนะเพราะถามใครเคยเป็นบ้างมันบอกเลยกูเคยเป็นมันมาในเรื่องของตัวเองโผล่ขึ้นมาเฉยเลยนะเข้าใจไหมว่าถามว่าใครเคยเป็นบ้างนี่เรื่องของตัวเองโผลนะขขโ่ขึ้นมาเฉยเลยว่าเราเนี่ยแหละเคยเป็นที่เคยคว้างเก้าอี้เส่เพื่อนเข้าใจไหมเออพราะโกรธอีกคนนึงอยู่แล้วมันงุงนกิจบไอ้คนนั้นอนะเข้าใจปะแต่เราก็ไม่เครู้ว่านี่คือคกลไกที่เราไม่พอใจกับเรื่องราวภายในใจของเรา อืนี่แหละเพราะฉะนั้นการที่คุณเห็นเนี่ยขอบคุณมากมากอนุโมทนากับคุณเลยนะที่คุณเห็นความคิดเห็นรูปความคิดเห็นลองรอยความคิดแบบนี้ยที่มันเกิดเป็นทั้งรูปเสียงกลิ่นนี่ยคุณบอกว่าเห็นเป็นทั้งเสียงทั้งรูปทั้งกลิ่นได้หมดเลยบอกโอ้ดีมากเลยเพราะเราจะเห็นว่าความคิดนั้นมันไม่ได้มีแค่รูปมันเป็นทั้งรูปเสียงกลิ่นรสผลพะ เพราะตรงนี้ถ้าคุณเข้าใจตรงนี้คุณจะเข้าใจเรื่องนามมารูปที่อาจารย์จะอธิบายต่อไปในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเรื่องสลายยานะคุณก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นหลายคนไม่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทแบบที่พระอาจารย์อธิบายเพราะมันไปติดตัวหนังสือที่เขาอาธิบายกันเป็นล่ำเป็นสันพอเขาอาธิบายคาว่านามมารูปเขาอาธิบายเป็นรูปนาม พออธิบายเป็นรูปนามปุ๊บสลา ย, ยาตนาเข า, เขาก็กลายเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะมันเกี่ยวพันกับรูปนามเข้าใจไหมแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่นามารูปมันคือความคิดที่ปรากฏขึ้น <c oughs> และความคิดนั้นมันมีทั้งรูปเสียงกลิ่นรสผลพระธรรมลมสลา ย, ยัตนาตัวนั้นเนาะดีจังขอบคุณมากฮนระขอความเมตตาพระ อยากพระอาจารย์ช่วยสรุปหัวข้อที่บรรยายที่ลานโพเช้าวันนี้อีกครั้งค่ะเพราะว่าเมื่อเช้าไม่ค่อยได้ยินได้ยินขาดขาดหายหายถ้าอาจารย์หันมาก็ได้ยินไม่น่าพากันแย่งหน้าข้างหน้ากันแต่ก็ได้เห็นสภาวะความไม่พอใจมันบีบคั้นหน้าอก เนื่องจากอยากจะได้ยินและเห็นความสำคัญหัวข้อที่พระอาจารย์พูดก็คิดหาทางออกโดยขอให้พระอาจารย์สรุปหัวข้อตอนเช้าอีกครั้งความบีบคั้นที่หนัก อ, อกจึงได้ค่อยๆคลา ย, ย, ย, ยออกขอบพระคุณไง น, นี่ถ้าอาจารย์ไม่อธิบายนี่บีบคั้นหนักกว่าเดิมอีกเนี่ยนี <c oughs> <c oughs> ่จะให้เห็นทุกข์ดีเหอะไม่อธิบายดีไหม จะได้จะได้บีบขันหนักขึ้นไงนี่ไงนี่ไงตกลงมันมันมันมันทุกเพราะอาจารย์อธิบายหรือไม่อธิบายไหมหรือทุกเพราะใจมันมันอยากอะ่ะเออตกลงไม่ได้ทุกเพราะอาจารย์นะใช่ไหมตกลงไม่ได้ทุกเพราะอาจารย์แต่เป็นเพราะเราอยากแค่อาจารย์อธิบาย อยากได้ยินอยากได้ฟังอธิบายถ้าอาจารย์ไม่อธิบายต้องเป็นทุกข์หนักกว่าเดิมพระพุทธเจ้าบอกเธอจองกําหนดรู้ทุกข์เธอดีไหมให้กําหนดรู้ทุกข์ดีไหมจะได้เข้าใจไงเพราะที่แท้คือใจมันอยากฟังใจมันอยากให้พูดอยากให้เป็นอย่างใจแล้วพอไม่ได้อย่างใจก็เป็นทุกข์นอะ เช้านี้อาจารย์พูดเรื่องความความสำคัญของอเช้าคือให้เราคอยสังเกตความมีตัวตนเข้าไปรองรับกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นที่กายที่ใจของเราเราไม่ได้มีตัวตนอยู่ตลอดเวลาหรอกเราไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันเป็นตัวเป็นตนของเราตลอดเวลาแต่มันเป็นขึ้นทุกครั้งที่เราเห็นสภาวะนั้นหรือรับรู้กับสภาวะนั้นแล้ว เราไม่รู้ทันเราจึงเผลอที่จะมีตัวตนไปรองรับมันจึงเป็นทุกขอ์อย่างที่อาจารย์บอกว่าที่เราเดินเดินเดนเดิ น, ดนไปเนี่ยเรารู้สึกกับการเคลื่อนการหยุดการเคลื่อนการหยุดไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยมันก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่ากายนี้เป็นเราเป็นของเราเราไม่ได้มีความรู้สึกว่าความรู้สึกการเคลื่อนหยุดการเคลื่อนหยุดเป็นเราเป็นของเราเราไม่มีความรู้สึกว่ากายเป็นเรามาตั้งมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้ว อย่างเรานั่งฟังอาจารย์อยู่เนี้ยเราลืมกายเราเรียบร้อยไปแล้วใช่หรือไม่ขณะที่เราฟังอาจารย์อย่างนี้เราลืมกายเราแล้วนะยิ่งถเเพลินกับการฟังอาจารย์ไปเนี่ยเราลืมกายไปแล้วเราอยู่กับโลกแห่งการคิดโยกการฟังอาจารย์การคิดตามอาจารย์พูดล้ะกายมันหายไปแล้วเข้าใจไหมอม แต่อาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อเช้าพอเรายกมือขึ้นมาปั๊บเห็นมือเราปั๊บอุ้ยมันเหี่ยวขึ้นเยอะเลยอ่ะแขนมือฉันมือฉันเหี่ยวขึ้นเยอะเลยอ่ะมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าเออกายนี้มันเริ่มแก่ชราแต่มันกลับมองว่าฉันมือฉันเหี่ยวขึ้นมือฉันแก่ขึ้นอะไรเงี้ยเข้าใจความหมายไหมพอมันมีความรู้สึกว่ามือฉันของฉันเนี่ยมันก็เริ่มที่จะเป็นทุกข์ กับภาวะที่มันเข้าไปยึดเห็นไหมเพราะมันมันมันไม่ได้มีตลอดอยู่แล้วบางทีเราเดินเดินไปเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่าเสียงกระทบหูมันก็ไม่เท่าไหร่มันก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรแต่ถ้ามันกระทบปุ๊บแล้วมันคิดถึงเสียงนั้นปั๊บแล้วมันย้อนไปคิดถึงเสียงอีกเสียงหนึ่งซึ่งมีความรู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกับเรามันเนื่องกับเราขึ้นมาปั๊บเสียงที่กระทบเมื่อกี้กับเสียงที่สร้างขึ้นในใจเราีก มันจะยืดเยือออกไป ท, ทันทีเพราะมันมีความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นของเราเห็นไหยเพราะฉะนั้นเาขาจริงๆเราไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาแต่เรามีภาวะตัวนั้นเพราะความไม่รู้ความเคยชินมันเป็นความไม่รู้มันเป็นความเคยชินที่มาทำงานโดยอัตโนมัติพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรารู้เท่าทันตัวนี้ เพรใจความสำคัญของการพูดเมื่อเช้าคือให้เรารู้เท่าทันอาการที่มันเผลอจะมีตัวตัวตนไปรองรับกับตัวสภาวะธรรมต่างๆให้เห็นตัวตนเข้าไปรองรับตรงนั้นแล้วก็ยิ้มน้อยๆอพอเอื้อมันรู้กับมันปุ๊บเราก็คลายออกสู่ความรู้สึกตัวเฉยๆอย่างเนี้ถ้าฝึกอย่างนี้บ่อยๆฝึกอย่างนี้บ่อยๆปุ๊บการรู้เท่าทาันความเกิดขึ้นของตัวตวนตัวเนี้ยมันจะสลายออก พอสลายออกปุ๊บมันจะกลายเป็นกลางพอมันกลายเป็นกลางมันจะเห็นความจริงมันจะเห็นความจริงของสิ่งนั้นนะเห็นความจริงสิ่งนั้นว่าอ๋อนี่แค่กลไกการทํางานของสัญญาที่มันก็ทํางานตามศักจตะ ว, ว่าข้อ shit, มูลที่มันมีนี่คือการทํางานของสังขารซึ่งเป็นหน้าที่ของขันซึ่งมันก็ทําหน้าที่ของมันจนกว่าขันนี้จะแตกสลาย อันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญของการทาวิปัสสนาเพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆที่เมื่อเช้าอาจารย์พูดก็คือให้รู้ทันตอนที่มันเผลอจะมีตัวตนลองรับกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเพราะมันมีอาการที่เกิดขึ้นกับกายกับใจแม้เวทนาที่มันปรากฏขึ้น ถ้าเรารับรู้แค่ว่าเป็นเวทนามันกันแล้วแต่ถ้ามันมองว่าเรากำลังลการปวดการน่นการนี่ไปเรามีตัวตนเข้าไปลองรับเวทนานั้นก็ทำให้กลายเป็นทุกขังใจซ้อนทับขึ้นมาได้อย่างเมื่อกี้เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างที่คนเขาเขียนมาตรงนี้ว่า เห็นภาพในความคิดที่มันเกิดขึ้นเป็นทั้งภาพทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสอะ่ะเข้าใจไหมพอเขาเห็นตัวนี้ขึ้นมาปั๊บมีตัวตนเข้าไปรองรับฉันไม่อยากให้มันอยู่ฉันไม่อยากให้มันเกิดฉันอยากให้มันดับเห็นไหมมันมีตัวตนเข้าไปไปรองรับกับภาวะตัวนั้น อ, ะอ่ะอะ เลยเกิดความอยากความไม่อยากปรุงเข้าไปอีกด้วยเข้าใจไหมมันก็เลยกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราแค่แคเห็นเพียงแค่ว่ามันมีความคิดเกิดขึ้นที่ความคิดที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นทั้งรูปเสียงกลิ่นรสโอ้แล้วก็อืมคือภาวะรู้มันทําหน้าที่เข้ามาแล้วรู้อืมแต่ถ้าเราเอาความอยากความไม่อยากเข้าไปเนี่ยคือภาวะแห่งความที่เรา มีบางอย่างเข้าไปแฝงซ้อนเข้าไปแล้วเป็นความคิดระดับที่สามแล้วความคิดระดับที่หนึ่งคือสัญญาความคิดระดับที่สองคือสังขารที่มันปรุงแต่งความคิดระดับที่สามคือความพอใจความไม่พอใจจนไหลไปสู่ตัณหาอุปาทานนี่คือความคิดระดับที่สามมันซ้อนมาอย่างนี้ให้เห็นภาวะที่มันซ้อนไอ้ตัวตัวตัวปัญหาไม่ได้อยู่แค่ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สอง แต่ตัวปัญหาอยู่ชั้นที่เท่าไหร่ชั้นที่สามที่มันในตัวถนเข้าไปนี่เองเข้าใจไหมะนะตรงนี้แหละนี่คือสิ่งที่อาจารย์พูดเมาาื่อเช้านั่นเองโอเคไหมคนที่ถามมาตรงนี้หายอึดอัดใจ ย, ยังหายแน่นอล้วหายหายนักอกหนักใจยังหายแล้วเนาะ เรียนถามพระอาจารย์หากมีความขี้เกียจในการทำความเพียนพระอาจารย์มีอุบายไม่ให้ขี้เกียจได้อย่างไรคะความขี้เกียจมันเกิดขึ้นจากความหนึ่งด้วยเจอจากอาการหนึ่งด้วยก็คือการไม่เห็นค่าความหมายของสิ่งที่ทําอยู่ความขี้เกียจมันมักจะมากับเรื่องนี้ด้วยนะ หมันเป็นมันเป็นดีมเดิมของเราด้วยค้อ <c oughs> หนึ่งมันเป็นนิสัยเดิมของเราอันที่สองคือพอมันไม่เห็นค่าความหมายว่าทําไปแล้วจะได้อะไรจะมีความหมายอะไรมันก็จะขี้เกียจอันนี้วิธีการของเราคือฝึกฝึ ก, ฝ, กฝึกที่จะทําให้มันขี้เกียจน้อยลงเรื่อยๆต้องใช้การฝึกฝนการฝึกฝนที่จะทําตรงนั้นก็คือ ขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำแล้วทำโดยการใช้เวลาคุมเวลาด้วยตั้งเวลาเลยตัวเราตั้งใจสามสิบนาทีคราวนี้สามสิบนาทีคือให้ได้สามสิบนาทีขี้เกียจแค่ไหนก็ต้องให้จบสามสิบนาทีขยันแค่ไหนถึงสามสิบนาทีก็ต้องเลิกเข้าใจไหม มันไม่อยากทำก็ต้องฝืนไปให้ได้จนส0สิบนาทีมันขยันทำเลยสามสิบนาทีให้หยุดทันทีเข้าใจไหมเพื่อฝึกให้มันเป็นนิสัยที่จะเป็นผู้ปฏิบัติไม่งั้นถ้าสมมติว่าตั้งสามสิบนาทีทำไปสักพักพอแล้วเนี่ยความขี้เกียจก็จะไม่ได้ถูกบำบัดเข้าใจไหมถ้าจะไม่ทำ ทีนี้พอวันหนึ่งตั้งใจทำขยันดีๆอุ้ยสามสินาทีแล้วทำต่อดีกว่าไม่หยุดเลยแล้วให้ตั้งใหม่ให้ทำอย่างนี้เพราะอะไรเพราะไม่ไงั้นแล้วคุณจะเข้าสู่ระบบแห่งความความทำตามใจขยันก็ทำขี้เกียจก็เลยไม่ทำวันนี้ทำแล้วดีก็ตั้งใจทำดีๆทำเอาทำเอา วันนี้ไม่ตั้งใจไ ม, ไม่มีความสุขการทจะไม่ทำมันกลายเป็นท ำ, ทำตามทำตามใจแต่ถ้าเราฝึกอย่างอาจารย์ว่าคือตั้งเลยสามสิบนาทีขี้เกียจก็ทำจสามสิบนาทีขยันก็ทำไปส0มสิบสก็เลิกแล้วก็ตั้งเป้า อ, อ, กาอีกสามสินาทีฝึกอย่างนี้นะ ไม่ใช่วัน น, น, นี้วันนี้ทําดีโอยวันนี้ทําแล้วมีความสุขจังเลยกับการทำโอ้ยไหลา ย, ยาวไปอันนี้เราทาตามความพอใจพอวันนี้ทําไปทําไม่ดีเลยวะ่ะ <c oughs> ก็เลยหยุดทําเพราะไม่พอใจสุดท้ายเราก็กลายเป็นผู้อยู่ภายใต้อํานาจของความพอใจความไม่พอใจอยู่ร่ําไป ดีการแก้ไขเรื่องความขี้เกียจให้จัดการอย่างนี้มันจะช่วยได้อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองมันต้องมองให้เห็นคุณค่ามองให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่กำลังทำอยู่มองให้เห็นถ้ามันมองไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ทำอยู่มันก็ไม่อยากทำใช่ไหมเออเคยเรียนวิชาคณิต ศ, ศาสตร์ในชั้นมัธย ม, มั้ม เบื่อไหมเอาไปทำอะไรเอาไปสอบเอ็นทานบางทีมันมั น, ม, นมันไม่มีแรงจูงใจเลยเพิ่นพรอจายจึงมองว่าอะไรก็ตามถ้ามันรู้จักว่ารู้จักว่าเรียนแล้วฝึกแล้วมันได้เอาไปใช้จริง เราจะรู้สึกว่ามันมีคุณค่ามีความหมายที่อยากจะเรียนอยากจะทำะเผอิญว่าสิ่งหนึ่งที่ผู้ได้เจ้าท่านบอกว่าถ้าเราเห็นคุณค่าของสิ่งที่ทำนี้ว่ามันเป็นไปเพื่อการเรียนรู้เรื่องการดับทุกข์เราก็จะมุ่งมั่นสู่การเรียนรู้เรื่องการดับทุกข์อันนี้เรื่องจริงนะ คนไข้บางคนปฏิบัติอยากไปดูสวรรค์เนี่ยอยากเห็นสวรรค์อยากเห็นนรกเขาจะทั้งหน้าทั้งตาปฏิบัติเพื่อไปเห็นสวรรค์ไปเห็นนรกอ้าวจริงไหมจริงใช่ไหมตัวผ้าอาจารย์เองเมื่อก่อนสมัยเป็นโยมะเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะมาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมหรอกนะเป็นคน เป็นคนห่างไกลพระห่างไกลพระนะจ๊ะไม่ใช่ว่าเจอพระร้อนๆหรอกไม่ค่อยได้เจอกันเลยพระบิณฑบาตหกโมงข้าพเจ้าตื่นเก้าโมงเข้าใจไหม ่มันตื่นเก้าโมงเพราะมันนอนตอนทีสี่ตีสามทีสี่เป็นเวลานอนตอนเวลานั้นทำอะไรก่อนหน้านั้นเป็นเวลานั่งกินเป็นผู้ชอบดื่มน้ำเป็นชีวิตจิตใจ คือเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะมาปฏิบัติจนกระทั่งวันหนึ่งเราเกิดความทุกข์ใจจากความสูญเสียนะคนที่เรารักเขาจากเราไปวันนี้คนที่เรารักเขาจากเราไปวงศิทธดคอมภีร้องที่ไร น, นี่มีกูเขาลองรับทุกทีเลยทำไมเป็นโยม เรื่องราวของเราจะโลดแล่นอยไรเป็นเอ็มวีของพงศิษฐ์คมภีแทนทีเลย mm hmm. คือมันมันมันรู้สึกทุกข์มากกับความสูญเสียมันก็เลยทำให้เราคิดว่าเราจะทำยังไงเราถึงจะออกจากทุกนี้ได้ทำยังไงเราถึงจะสามารถทำให้เราพ้นจากความทุกข์ อเปวนามิม ah th ok ัตสะเควรัลสะทุกขคันทัสะอันตกิริยาปัญญาเยถาติทำชะไหนการทำที่สุดกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้นี่นี่คือคำลำพึงลำพันของเจ้าชายสิทธัตถานะไม่ใช่ของอาจารย์ยกมายกมายกมาให้ดูดีนะแล้วก็ เราตั้งใจอย่างนั้นจริงๆว่าทํำยังไงเราถึงจะออกจากทุกข์นี้ได้จากเมื่อก่อนเนี่ยพระอาจารย์ถ้ามีปัญหามีเรื่องมีอะไรกุ้มใจปุ๊บมัญหาเรื่องเล่าเอาเรามากินแต่หลังจากที่เขาตายเนยเราไม่แตะเลยนะเพราะเาตายเราไม่แตะเลยไม่แตะเล่าไม่แตะอะไรทั้งนั้นไม่แตะเล่าไม่แตะเราตั้งใจตั้งใจจะบวช บวชอุทิศบุญส่วนให้เขาแล้วก็ตั้งใจว่าในระหว่างที่เราบวชเนี่ยเราจะตั้งใจปฏิบัติเพื่อไม่ให้เป็นหนี้ชาวบ้านเขาทำหน้าที่ของเราชาวบ้านทําหน้าที่ของเขาจเจ้ากันจบและที่สําคัญคือการปฏิบัตินี่แหละมันน่าจะพาเราไปสู่ความเข้าใจเรื่องความทุกข์และการออกจากทุกข์ ใจมันตั้งเป้าอย่างนั้นมันเห็นคุณค่าของการปฏิบัติว่าการปฏิบัตินี้จะเป็นไปเพื่อการเรียนรู้เรื่องการดับทุกข์พอมันเห็นคุณค่าตรงนี้มันตั้งมั่นตรงนี้แล้วเนี่ยเราถึงได้เข้าใจว่าที่แท้และสิ่งที่เราคิดอย่างนี้มันคือสัมมาทิฏฐิทั้งๆที่เมื่อก่อนไม่เคยรู้จักไม่เคยรู้จักเราสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปสัมมาอะไรก็ไม่รู้จักทั้งนั้น รู้แต่กับหมู่บ้านสำ ม, มกรเข้าใจใช่ไหมสำมงสมาอะไรไม่รู้จักทั้งนั้นชีวิตไม่รู้จักสมมาไม่รู้จักมิจฉาแต่อยู่ทางมิจฉาก็เลยอพอมันตั้งใจไว้อย่างนี้มันก็เลยมุ่งมั่นที่จะทำเพราะความขี้เกียจไม่เคยมีนะ กับตัวพระอาจารย์เองไม่เคยมีความขี้เกียจกับการปฏิบัติมันตั้งเข็มตัวเองมันตั้งปฏิบัติตัวเองกินข้าวเสร็จไม่มีใครสอนก็ช่างเปิดหนังสืออ่านเอาอ่านเอาแล้วปฏิบัติตามหนังสือตอนแรกยังไม่เจอหลวงพ่อคอมเขียนเช้ามาตื่นมาปุ๊บทำวัดทำว า, น, น, น, านูนนั่นบิณฑบาตฉันฉันบวชปุ๊บเก็บกวาดทาความสะอาดสาลาปุ๊บเข้าทางจงกรมเดินจงกรมไปจนถึงเที่ยง เดินจงกรมสลับนั่งสมาธิบงโขดหินทางจงกรมเราทําไปทํามาจนถึงเที่ยงเที่ยงพักพักด้วยการอ่านหนังสือไม่ได้พักนอนนะพักอ่านหนังสืออ่านทบทวนอ่านเรื่องราวที่ครูบาอาจารย์อ่านประวัติพ่อแม่ครูอาจารย์อ่านพุทธประวัติอ่านกระบวนการปฏิบัติแล้วแต่วันมีหนังสือเล่มไหนที่เราให้เราอ่านจากนั้นเราอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านไปถึงประมาณสักบ่ายโงหรือบ่ายสองมงปุ๊บเราก็ลงทางจงกรม ลงทำจงกรมปฏิบัติทําไปจนถึง4ี่โมงห้โมงปุ๊บเราก็เลิกเลิกปุ๊บเราก็ไปกวาดเก็บสาลาทําความสะอาดสาราปัดกวาดรอบบริเวณเรียบร้อยก็อาบน้ําอาบท่าทเตรียมตัวทำวัดเย็น6กโมงทาวัดเย็นทำวัดเย็นเสร็จก็นั่งปฏิบัติของเราไปสักพักหนึ่งก็แยกย้ายกันก็ขึ้นไปนั่งปฏิบัติที่กุฏิของเราสี่ห้าทุ่มนั่งสมาธิไป ยังไม่ได้ยกบุสา่ายจังหวะไม่รู้จักนั่งสมาธิไปสงบบ้างไม่สงบบ้างแต่ก็ทำไปเรื่อยๆค้นหาวิธีไปบางทีนั่งรู้ไปหรือมาทำเป็นหนลมหายใจมันเข้าเป็นท่อมันท่อท่อวิ่งเข้าวิ่งออกเป็นลมอ่ะเป็นตัวรูปลมเลยนะบูบ่าบูบ่าบูบ่าอย่างเงี้ยคิดมันเป็นแท่แทงแท่งลมอ่ะฟืดฟืดฟือดอกทาไปทว่าสงบเร็ว ออแล้วก็เออทิ้ ง, ง, งเราได้วิธีอีกแล้วก็หาวิธีไปทําไปยังไงก็ได้ใจมันก็ไม่เคยย่อหย่อนจนทั้งมันก็ค้นหาวิธีไปเรื่อยติดอยู่ในความสงบก็มองเห็นโทษเห็นความสงบก็าหาวิธีที่ดีกว่านี้มีไหมก็ทั้งมาพบกับหลวงพ่อคำเขียนจึงได้รู้จักวิธีการเจริญสติถึงได้เข้าใจการปฏิบัติอย่างแท้จริงนอกนั้นก็มังุมมางาหลา เป็นอะไรหลอกหลงทางไปบ้างก็ไม่เป็นไรแต่เสียดายว่าอมืมันเสียดายเวลาไหมมันก็ไม่เสียดายนะ<ม>เวลาที่เสียไปมันก็แค่ปีเดียวเองแต่มันก็ไม่ได้เสียนะเพราะในขณะนั้นเราก็ยังมีความสงบปเป็นตัวหล่อเลี้ยงใจที่ทําให้เรายืนยันว่าเราไม่สึกจากที่ตั้งใจมันจะบวดแค่เจ็ดวันใช่ไหมแต่ความสงบที่เกิดขึ้น จ, จากการทำม ส, มาามสมาธิของเรามันก็ทําให้เราตัดสินใจที่จะไม่สึกได้ แต่มันก็ยังดูไม่มั่นคงเจือถ้าเรามาพบหลวงพ่อความเขียนเข้าใจวิวิทปัสนาเข้าใจแยกกายแยกจิตแยกรูปแยกนามเห็นกระบวนการทํางานของกายของจิตเห็นเห็นเห็นเห็นการทํางานของนามารูปเป็นการทํางานปฏิจจสมุปบาทเห็นกระบวนการเกิดทุกเห็นการดับทุกขเราจึงยืนยันโอ้นี่เองคือเส้นทางการปฏิบัติที่แท้เพราะฉะนั้นพอมันถึงตรงนี้ปุ๊บมันไม่ต้องใช้ความขี้เกียจหรือความไม่ขี้เกียจมันไม่ต้องใช้ความขยันหรือความไม่ขยัน <S <S แต่มันกลายเป็นวิถีชีวิตเข้าใจไหมมันกลายเป็นวิถีชีวิตที่มันไม่มีพักไม่มีเพียรไม่มีเร่งไม่มีช้าไม่มีอะไรทั้งนั้นเพราะมันมีแต่ความรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกกับพิบตารู้สึกพูดกับคุณก็ยังรู้สึกเพราะคุณสังเกตว่าอาจารย์ทาปากที่ปากจีบีปากจีบค อ, อนิดๆเนี่ยก็เพราะว่าต้องการให้เกิดภาวะการรู้กับการขยับของปาก ไม่แต่หัวเราเมื่อกี้ยังรู้เลยเห็นไหมเข้าใจไหมมันก็เป็นกระบวนการที่เป็นไปโดยอัตโนมัติของความมีวิถีชีวิตแห่งการปฏิบัตินะเนี่ยแต่มันก็ต้องฝึกอย่างที่อาจารย์เคยใช้วิธีการอย่างที่ว่าแหละขี้เกียจก็ทำไม่ขี้เกียจก็ทำแต่ทำยังไงก็ได้ที่ต้องกาหนดเวลาไม่ให้กลายเป็นทำด้วยความอยากกับความไม่อยาก ตั้งเวลา30มนาทีอึดอัดแค่ไหนมันยากเลยต้องเอาให้ครบทําไป30มสิบนาทีมันชอบมากเลยมันเลยไปหยุดเข้าใจไหมมันจะสนุกมันจะมีความสนุกมีความสุขของการปฏิบัติแค่ไหนก็ต้องหยุดเมื่อครบเวลาเพราะความสําคัญที่สุดคือการสลัดอารมณ์ความสําคัญที่สุดอันหนึ่งของการปฏิบัติคือการฝึกสลัดอารมณ์ฝึกสลัดที่จะ ูก พ, พันฝึกสลัดที่จะเกาะเกี่ยวอารมณ์นั้นๆเข้าใจั้มเพราะฉะนั้นคุณคิดดูว่าคุณปฏิบัติปฏิบัติแล้วมันดีมากเลยอะ่ะมันมีความสุขกับการปฏิบัติดีๆแต่พอถึงเวลาคุณสลัดมันได้อะ่ะเออคุณคิดดูคุณสลัดมันออกได้อะ่ะฝึกสลัดแม้แต่อารมณ์ที่มันดี เมื่อนั้นคุณไม่ต้องห่วงหรอกว่าอารมณ์ที่ไม่ดีมันจะสลัดง่ายไหมใช่ป่ะเนอะโอเคไหมมาสการพระอาจารย์ขา่าขันทั้งห้าเป็นของหนักเดอ้อแล้วเราจะวางขันอย่างไรคะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แบกเราเผลอแบกทุกครั้งที่อาจารย์พยายามอธิบายแต่เมื่อเช้าใช่ไหม ว่าจริงๆแล้วแม้แต่รู ป, ปกายของเราเนี่ยรูปกายของเราเนี่ยเราก็ไม่ได้สนใจที่จะถือมันอยู่แล้วจริงเวทนามันเกิดขึ้นกับเราคุณสังเกตไหมว่าคุณกบางทีก็ไม่ได้สนใจมันด้วยยกเว้นเวทนาที่เป็นทุกขเวทนาบางอย่างที่มันชัดๆขึ้นมาเท่านั้นเองที่คุณจะเผยเข้าไปยึดเอาว่าเป็นฉันไม่อยากได้มัน หรือเวทนาที่เป็นสุขเวทนาที่มันชัดชขึ้นมาจริงๆเราจรึงมีความรู้สึกอยากให้มันคงอยู่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเอาเขาจริงๆรเราไม่ได้มีอาการแบกอยู่ตลอดเวลาเลยยังย้ำอีกว่านั่งฟังอาจารย์อยู่เมื่อกี้ยังรู้สึกว่ากายเป็นของเราอยู่ไหมให้มีใช่ไหม กายได้ซับเราไม่รู้กับกายได้ซับเพราะฉะนั้นเวลามันขึ้นมาถือเวลามันเข้ามาแบกมารับก็ที่อาจารย์บอกว่าให้มันสังเกตดูว่ามันเผลอมีตัวตนเข้าไปลองรับไหมสัญญามันเข้ามาทํางานอย่างเงี้ยโดยแค่รับรู้มันทํางานแต่ถ้าเราเผลอที่จะ เอาถูกเอาผิดยินดียินร้ายกับสัญญาสังขารมันเข้ามาทางานเราเผลอจะยินดียินร้ายกับมันอย่างเงี้ยอันนี้คือการแบกของหนักเนอเข้าใจไหม เ, เราจึงคอยสังเกตดูว่ามันเผลอที่จะมีอาการช่วงจังหวะใดที่เราเผลอจะเข้าไปลองรับกับการปรากฏขึ้นของขัน การขันที่มันทางานเท่านั้นเองเห็นตรงนั้นแล้วกลับมารู้สึกตัวมันวางไปแล้วในตัวนะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่อยู่ในลัทธิที่บอกว่าไม่ต้องทำอะไรนะมันมีอยู่แล้วนะไม่ใช่นะสิ่งที่อาจารย์กำลังชี้คุณดูคือทุกอย่างมันทางานของมันเป็นปกติ มีเพียงความยึดมั่นสำคัญหมายเท่านั้นที่มันสอดแทรกขึ้นมาเป็นครั้งเป็นคราวนะสอดแทรกขึ้นมาเป็นครั้งเป็นคราวแล้วพอมันสอดแทรขึ้นมาปั๊บเป็นครั้งเป็นคราวเราก็เลยมีตัวตนเข้าไปกับมันกับเรื่องราวเหล่านั้น น, ะนั่นแหละให้เห็นเพราะอาจารย์ทึงบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ยิ้มยิ้ม อืออืเอเข้าใจไหมมันมีอันนึ่งนะครั้งหนึ่งพระอาจารย์คุยกับหลวงพ่อความเขียนหลวงพ่อเขาผมรู้แล้วรู้อะไรอะไรเกิดก็ช่างครับอื้อมีอะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจก็ตามอืม้ออย่างเดียวครับอื้อแล้วมันจบตรงตรงนั้นแต่ถ้าเอ๊ะเนี่ยครับยาวเอ๊ะเนี่ยยาวเลยครับแต่ถ้าอื้อนี่จบ หลวงพ่อมองหน้าพาจารย์แล้วก็อื้อเข้าใจไหมหลวงพ่อมองหน้าแล้วก็อื้อคือไม่อธิบายต่อแล้วไงเดี๋ยวจะยาวก็ <laughs> <c oughs> เป็นเป็นที่รู้กันว่าจบแล้วเข้าใจความหมยคือที่รู้กันว่าพออื้อมันก็จบแล้วเนี่ยเข้าใจไมอมนั่นแหละหลวงพ่อบอกนั่นแหละพออื้อมันก็จบแต่เอ๊ะมันก็ยาว เนะออคือรู้แล้วบวสวดมนต์ที่ว่าตัดกระทั่งรากใ ช, ใช้ไปตัดตรงไหนให้ไปตัดตรงไหนและทำอย่างไรคะรากของมันก็คือความไม่รู้ รากของความทุกข์ทั้งหมดคือความไม่รู้เป็นตัวเริ่มต้นอวิชชาเพราะให้มีสติพอมีสติมีความรู้สึกตัวความไม่รู้มันก็หมดทันนั้นเองพอมีเมื่อมีสติมีความรู้สึกตัวมันก็เห็นกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทเห็นกระบวนการทํางานของสัญญาของสังขารที่มันเข้ามาทํางานแล้วก็เห็นเห็นเห็นภาวะที่เราเผือเขาไปยึด มั่นถือมั่นกับการทำงานของสัญญาและสังขารให้เห็นตัวนี้ปุ๊บเราจัดการตัวนี้ปับ๊บต่อไปกระบวนการเหล่านั้นแม้มันเกิดแต่มันไม่มีภาวะความไม่รู้เข้าไปรองรับแต่มันมีภาวะรู้แล้วรู้แล้วว่านี่คือการศักทว่าการทำงานของสัญญารู้แล้วว่านี่คือการทำงานแบบศัตวว่าของสังขารเป็นเพียงขันทางานจบ แล้วขันมันทํางานมันก็จบของมันไม่จะเป็นต้องไปแบกไปถือไปยึดไปมัดอะไรกับมันมันก็ทํางานของมันอย่างนั้นแหละอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังวันแรกจําได้ไหมจําได้ไหมนี่ยังจําได้ไหมจําได้หรือเปล่าฮะอาจารย์เล่าวันแรกว่าเรื่องอะไรนะวันแรกเลยเรื่องความ ความไม่ทุกข์ที่อาจารย์เกิดจากความเจ็บป่วยโอ้ยตายแล้ววันนี้เพิ่งวันที่สามของการปฏิบัติลืมกันซะแล้วที่อาจารย์บอกว่าเห็นมันเห็นสัญญามันสัง่งมันทำงานมันสักแต่ว่าทำงานมันมีข้อมูลอะไรมันก็ส่งตามนั้นน่ะ ให้สังขาเมืองมาอะไรมาให้กูก็ก็ปรุงแปรตามนั้นแหละเข้าใจป่ะเออมึงมีอะไรมาให้กูก็เอานี่แหละมาขยําขยก b j c โขกรวมกันไปมันก็เลยห่าไงอาจารย์บอกเอออาจารย์ก็เลยหัวเราะมันมันไรสาละจริงๆว่ามันสักแต่ว่าทํางานมันซื่ อ, อตรงๆใสๆนะขันแต่ละขันมันทํางานของมันเนะี่ยมันไม่ได้มีอะไรละ ไอ้ที่มันเป็นมายาเป็นหลอกลวงเว้นนั่นเป็นนี่เนี่ยมีปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่เนี่ยความมีอัตตาตัวตนของเราเนี่ยเข้าไปวุ่นวายกับการทำงานของขันเองนะแล้วเอาความเคยชินเอาสมมติบัญญตัติเอาอะไรบางอย่างสิ่งเหล่านี้เข้าไปตีค่าตีความหมายใน้นะ้นอันนี้กับมันเอง เต่เอาเขาจริงๆมันก็มาทำงานของมันอย่างนั้นแหละทำแล้วก็แล้วไปด้วยมันไม่ได้สนใจว่าเราจะเข้าใจกับมันหรือรู้เรื่องกับมันหรือเป็นอะไรกับมันไหมมันไม่ได้สนใจมันทำของมันสัญญามันก็ทำงานของมันสังขารก็ทำงานของมันขันทุกขันมันทำงานตามปกติมีแต่เรานี่แหละ ยืดหนวดปลาหมึกไปยึดนั่ น, นทำได้ไหมท่านอาจารย์ชอบยืดหนวดปลาหมึกไปสารนแน่มันก็เป็นทุกข์อยู่ลำไปกับสิ่งที่ตัวเองยืดไปยึดแต่ถ้าไม่ไปยึดไปอะไรกับมันมันก็ทำงานแล้วก็จบทำงานแล้วก็จบทำงานแล้วก็จ บ, แ, จบแค่นั่นเองขณะที่เราดูร่างกายเคลื่อนไหว14จังหวะ ลมหายใจเด่นขึ้นมาเราเอาจิตไปดูที่ลมหายใจแทนการเคลื่อนไหวได้ไหมคะรวมถึงการไปดูส่วนอื่นๆของร่างกายได้ไม่เห็นเป็นไรเลยอาจารย์ไม่ได้บอกความรู้สึกตัวไม่ได้อยู่แค่การเคลื่อนไหวสิบสี่จังหวะแต่สิบสี่จังหวะ ถ้าเราตั้งใจทำเรื่อยๆ เ, เนี่ยมันจะทำให้เกิดความรู้สึกตัวที่เด่นขึ้นเด่นขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นใจมันกลับมารู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นบางทีก็ไปรู้ลมหายใจเองบางทีก็ไปรู้กับอาการขยับของกายตรงนั้นตรงนี้ไม่เป็นไรแต่เราบางถูกมันหลอกเพราะขี้เกียจยกมือ รู้ลมชัดแล้วตอนนี้ดูลมดีกว่าที่ยกไปยกมาเฮ้ยดูดิขยับตรงนั้นก็รู้ขยับนี้งั้นเรามารู้ขยับเล็กๆน้อยดีกว่าพวก น, นี้แหละไม่รุง่งพวก น, นี้จะไม่ค่อยรุ่งเท่าไหร่เพราะว่ามันจะถูกกิเลสตัวเองหลอกตอนนี้แหะ นะไม่รู้สิอาจารย์ก็ยังนั่งยกมืออยู่เลยนะหลวงพ่อคอมเขียนก็นั่งยกมืออยู่นะหลวงพ่อคอมเขียนยังเดินจงกรมเลยเนาะที่ท่านเดินจงกรมเนี่ยไม่ใช่เพราะท่านทำความเพียรแต่ท่านทำให้เราดูเข้าใจไหม ท่านไม่ได้ทำความเพียนแต่ท่านทำให้เราดูให้เราดูว่าจงอย่าทิ้งรูปแบบอย่าทิ้งรูปแบบอย่าทิ้งกระบวนการปฏิบัติของเราเลยนะจงตั้งใจทำมันทำไมพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านนั่งยกมือให้เราดูใช่ไหมอย่างหลวงปู่เทียนอย่างเงี้ยหลวงพ่อขอมเขียนอย่างเงี้ย ท่าอยู่กับพวกเราท่านก็นยกมือให้เราดูนะ ท, ท่านอยู่ในตัวที่ส่วนตัวของท่านท่านก็นั่งทำนะถามว่าระดับท่านเนี่ยลมหายใจชัดไหมอเิเล็กิวบทเล็กๆน้อยๆชัดไหมชัดกว่าเรานะแต่ท่านไม่ถูกมันหลอก <c oughs> นะท่านไม่ถูกมันหลอก อันนี้ไม่ได้ว่านะเพียงแต่ว่าดูดีๆแล้วระวังมันหลอกดูดีๆแล้วระวังมันหลอกเท่านั้นเองในชีวิตประจำวันมักจะหลงยาวจะแค้ไขย่างไรให้กลับมามีสติถี่ขึ้นจริงๆแล้วที่มันหลงยาวมีไม่กี่เรื่อง เข้าใจไหมหลงยาวมีไม่กี่เรื่องแต่หลงสั้นที่เท่านั้นเอง <c oughs> เกรเข้าใจว่าตัเองหลงยาวคือมันหลงบ่อยแต่ไอัที่ยาวอ่ะมีไม่กี่เรื่องเพราะฉะนั้นเมื่อทําการเจริญสติไปเรื่อยๆไอ้ที่ทีบ่อยๆสั้นๆจะค่อยๆหายไปคราวนี้มันจะเหลือแต่ไอ้ตัวยาวที่มันจะทําให้เราไปเห็นว่าเนี่ยมันกําลังจะพาเราไปเป็นทุกข์ แล้เราจะรู้จักกรรมานว่าที่เป็นทุกข์เพราะมีอะไรแฝงอยู่ข้างในนั่นแหละเข้าใจยังเห็นะมันทาความรู้สึกตัวบ่อยๆถ้าจิตมันรู้สึกเหนื่อยล้ามากถ้าจิตมันรู้สึกเหนื่อยล้ามากไม่อยากรับรู้อะไรอยากพักผ่อนจะทำได้อย่างไรบ้างคะนอน เพราะเวลาที่เรานอนเนี่ยต่อให้จิตมันคิดเราก็ยังมีความรู้สึกว่าเรานอนอยู่มฝันช่างมันแต่เวลาเราตื่นมันคิดกู ค, คิดได้ไงวะตลกปะเอาจิงไหมไอ้ตอนนอนฝนอันฝัน มันฝันแต่พอพอตื่นมาเออพอคิดปุ๊บเฮ้ยกูคิดได้ไงวะเรื่องเนี้ยเห็นไหมอตอนไอตอนตื่นนอนกับมีเราเข้าไปเว้ยไอตอนนอนหลับไม่มีเราเว้ยตลกมากทาั้งทั้งที่มันก็อาการเดียวกันนะ่ะ เพราะฉะนั้นถ้าใจมันเหนื่อยล้ามากความเหนื่อยล้ามันจะจากอะไรเกิดจา ก, จากใจคิดหรือเกิดจากการที่เราไม่อยากคิดย้อนไปดูดีๆว่าที่มันเหนื่อยมันล้าเนี่ยมันเหนื่อยล้าเพราะใจมันคิดหรือไม่อยากคิดหรือไม่อยากให้มันคิดย้อนกลับไปดูนะ อที่มันเหนื่อยมันล้าเนี่ยมันเนื่อล้าอาการเหนื่อยล้านี่คือความทุกข์ใจนะแล้วความทุกข์ใจที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดเพราะว่าใจมันคิดหรือเพราะมันซ้อนลงไปอีกทีว่าไม่อยากให้มันคิดลองตัดความไม่อยากให้มันคิดสิความคิดเนี่ยมันก็จะแค่ผ่านไปผ่านไปแล้วก็จบไปมันไม่มีความเหนื่อยล้าอะไร มันเป็นเนก ullah, ลไกการทางานของขันที่มา enfin. ท, ทำงานเท่านั้นเองเคยปฏิบัติแบบยุบพองเคยนั่งถึงภาวะที่มันว่างมากเออเคยเคยนั่งถึงภาวะที่มันง่วงมากฟุ้งมากและปวดมากถึงมารู้สึกที่พองยุบ อยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงอยู่ๆมันนิ่งฟุ้งหายปวดหายพองยุกชัดเหมือนมองมันเห็นเหมือนมองมันหายใจเองอันนี้เรียกว่าสงบหรือไม่เจ้าคะจะนำวิธีของพระอาจารย์มาปรับใช้ได้อย่างไรคะ คำถามตอนท้ายว่าจะนำวิธีอาจารย์ไปใช้ได้อย่างไรคะคืออยากให้มันสงบใช่ไหมตอนนี้ก็เลยปฏิบัติไม่ได้เรื่องอยู่เพราะมัวไปคิดถึงครั้งนั้นเห็นไหมหลายคนนะพระอาจารย์อุ๊ยสามปีที่แล้วปฏิบัติได้ดีดี บัลลังก์ไหนบัลลังก์นั้นสงบตลอดแต่หลังมานี่ไม่ได้เรื่องเลยจ้ะเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะเอ็งมัวจะคิดถึงสามปีที่แล้วอพอจะปฏิบัติทีไรมันก็คิดถึงเรื่องเก่าอยากได้แบบเก่าผ่านไปห้านาทีไม่เห็นได้เหมือนเก่าผ่านไปสิบนาทีไม่ไหวล้ว แล้วไม่มีวาสนาแล้วเลิกแล้วเมื่อไหร่มันจะไปรอดอันสามปีที่แล้วคือสามปีที่แล้วจ้ามันบมแม่นวันนี้วันนี้คือวันนี้เขาไม่นับเป็นวันด้วยเขานับเป็นวินาทีต่อวินาทีได้ซ้ำการปฏิบัติพระอาจารย์จึงบอกคุณว่าให้คุณตั้งใจทำทีละครั้งรู้ทีละครั้งจบงทีละครั้ง และในแต่ละครั้งนั้นเกิด <S an> อะไรขึ้นให้สังเกตดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นในแต่ละขณะแต่ละขณะนั้นมันมีอะไรให้สังเกตถ้ายังสังเกตไม่ทันก็ไม่เป็นไรแต่มันมีอาการใดปรากฏขึ้นในขณะใดก็ตามถ้าคุณเป็นผู้สังเกตเห็นมันมันก็เกิดภาะวะแห่งการเรียนรู้ในแต่ละขณะพุทธศาสนาไม่ใช่การตั้งเป้าเป็นอย่างนี้แต่พุทธศาสนาคือภาวะแห่งการปฏิบัติแล้วสังเกตแต่ละขณะนั้น ไปเรื่อยๆจริงหปีเต็มอ่ะที่เจ้าชายสิทธัตถะไปปฏิบัติโดยมีการล็อกเป้าหมายไว้อ่ะไปปฏิบตัตสำนักนี้เขาบอกว่าปฏิบัติแบบนี้จะได้แบบนี้ปฏิบัติแบบนี้จะได้แบบนี้ไปบแบบนี้จะได้แบบนี้ทํำหมดอ่ะได้ผลหมดตามที่เขาว่าแต่มันไม่ตอบโจทย์เรื่องทุก ออกจากสมาธิแบบนั้นมามันก็เป็นทุกข์อีกพระองค์วะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเดินมาสุดทางมันทุกทางแล้วอ่ะหกปีเนี้ยแต่มันยังไม่ตอบโจทย์เรื่องการดับทุกข์ภายในใจอ่ะจนกระทั่งมาอดอาหารจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกนี่ก็คือเส้นทางที่เขาบอกทำแล้วมันจะได้ทำก็ทำได้แต่มันก็ไม่เป็นไม่สามารถตอบโจทย์เรื่องดับทุกข์ในใจอีก เลิกดีกว่าไม่ใช่แล้วมันต้องมีทางอื่นสิปัญจวคีบอกไม่มีมันมีนี่แหละที่เราทํากันมาก็มีแค่เนี้ยสอนกันมาก็มีอย่างนี้ยตําราเขียนมาอย่างนี้ครูบาอาจารย์พาทำมาก็ทําอย่างนี้ตั้งเป็นพันๆปีเราทํากันอย่างนี้คนนีม้มีทางอื่นมีมันต้องมีสิคนหนึ่งกำลังคิดนอกกรอบอีกคนหนึ่งมาติดกรอบอยู่นั่นแนหะสุดท้ายปัญจวคี ก, ก็ท่านเลิกความเพียรแล้วเวียนไปมากๆแล้วเราหนีแล้ว พาะหนีจากไปเมื่อ น, นั้นเจ้าชายเสือทาจึงได้คิดวิธีการหน่อยขึ้นมาการปฏิบัติของเจ้าชายศิทธทาจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงนี้อาจารย์ย้ำอีกครั้งหนึ่งมันอยู่ในพุทธประวัติไม่เคยได้ยินแน่ๆ แ, แต่เคยอ่านแต่ไม่เคยสังเกตแล้วเชื่อเถอะไม่มีใครเอามาพูดด้วย ในพุทธประวัติบอกว่าเมื่อพระ อ, องค์ข้ามน้าแม่น้ำเนรัญชาามาแล้วเนี่ยได้มานั่งลงที่ตใต้ต้นศรีมหาโพนี่พระองค์ได้ระลึกถึงเหตุการณ์เมื่อพระองค์นั้นหนีออกจากงานแลกนาขวัญแล้วมานั่งเล่นอยู่ใต้ต้นต้นชีวิตนี้มันมีหลายต้นอยู่ไม่ใช่มีแต่ต้นโพกับต้นสาละ มันมีต้นว้าอีกต้นหนึ่งเหมือนเวลาถามโยมไปเที่ยวอินเดียครูทั้งหกมีใครบ้างสันชัยจำได้แต่สันชัยเข้าใจไหมชื่อมันจำง่ายสัญชัยมีอีกหลายคนต้นไม้ก็มีอีกหลายต้น พระองค์ได้ระลึกถึงว่าตอนเจ็ดขวบนั้นพระองค์ได้หนีออกจากงานแลกนะ่าขวานแล้วมานั่งเล่นอยู่ใต้ต้นว่านั่งดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกคุณเข้าใจไหมพอพระองค์ระลึกถึงตรงนี้ปุ๊บนี่แหละอาจารย์จะถามพวกเราว่าเด็กเจ็ดขวบมานั่งดูลมหายใจเข้าออกเขาหวังอะไรหวังอะไร ทำแล้วจะได้เป็นอะไรทำแล้วจะได้อะไรเด็กเจ็ดขวบรู้ไหมรู้ไหมไม่รู้นั่นก็คือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญทำให้พระองค์มองเห็นว่าที่ผ่านมาหกปีที่ปฏิบัติมานั้นมันมีล็อกเป้าไว้ตลอดแล้วก็ตะเกียกตะกายไปให้ถึงเป้านั้น คิดถึงพวกเราเวลาเราไปปฏิบัติเราปฏิบัติเพื่ออะไรอยากได้อะไรสงบใช่ไหมเพราะว่าอยากได้สงบปับ๊บเนี่ยมันมีเป้ารองเอาไวนะ้แล้วต้องได้สงบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำคือตะเกียกตะกายไปให้สงบหรือไม่สงบ อันนี้กูไม่อยากได้หรอกคือกูอยากได้สงบแต่ส่วนมากจะไปอะไรไม่สงบเห็นไหมมันมีการล็อกเป้าพอมีล็อกเป้าปุ๊บมันมีแค่ทางออกแค่สองทางคือสมหวังกับผิดหวังนั่นคือหกปีที่ทำอยู่มันไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องดับทุกข์เพราะฉะนั้นวันที่เจ้าชายเสียสละ ย้อนกลับไปตอนเจ็ดขวบว่าขณะที่เรานั่งดูลมหายใจเนี่ยเฮ้ยเราไม่เคยคิดหวังจะเป็นอะไรเราไม่เคยคิดหวังจะเป็นอะไรจะได้อะไรจากการทำสิ่งนี้เมื่อนั้นพระองค์ก็เลยตัดสินใจย้อนไปทำเหมือนเด็กเจ็ดขวบแค่รู้ลมหายใจเข้าแค่รู้ลมหายใจออกเฉยเฉ ย, ยเลยแล้วดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น ผมก็นั่งดูลมหายใจเมื่อนั้นพระองค์ก็คูบัตรหลังเข้ามาตั้งกายตรงดํารงสติมัน่นเราจะหายใจเข้าเราจะหายใจออกแล้วแลวอยู่อผ์ก็ทํำไปสุดท้ายพระองค์สวดออกมาเป็นอนนาปานนัสติสูตรว่าวร์คที่หนึ่งเริ่มต้นข้อที่หนึ่งเมื่อลมหายใจออกยาวเรารู้ลมหายใจออกยาวเมื่อลมหายใจเข้ายาวเรารู้ลมหายใจเข้ายาว เมื่อลมหายใจออกสั้นเรารู้ลมหายใจออกสั้นเมื่อลมหายใจเข้าสั้นเรารู้ลมหายใจเข้าสั้นเราจักรู้จักรกองทั้งปวงเราจักรู้จักกายาสังขารทั้งปวงเราจักรทำกายาสังขารให้รา ง, งับลงเราจักหายใจเข้าเราจักหายใจออกแล้วแหละอยู่คุณสังเกตไหมพ่อไม่ได้พูดเรื่องความสงบ แต่พระองค์พูดเรื่องการสังเกตเมื่อพระองค์รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกพบพระองค์เรื่องสังเกตเห็นว่ามันมีลมสั้นลมยาวลมออกยาวก็มีลมเข้ายาวก็มีลมออกสั้นก็มีลมเข้าสั้นก็มีฮอลมมันไม่เที่ยงเนี่ยลมนี้มันไม่เที่ยงนะมันเข้าไม่ได้สม่ำเสมอหรอกและในความไม่สม่ำเสมอมันก็เห็นอีกว่าตัวลมสั้นลมยาวมีผลอย่างไรกับกายด้วย จึงเรียกว่าเราจะรู้จักกายสังขารทั้งปวงคือเห็นกายลมปรุงแต่งกายเนื้อลมยาวทาให้กายเป็นยังไงลมสั้นทําให้กายเป็นไงรู้ไหมรู้ไหมลมยาวทําให้กายเป็นไ ง, ไา ก, านไงกายมันจะนุ่มนวลกายมันจะสงบระงรับ แต่ลมสั้นทำให้กายหยาบเล่าร้อนสังเกตดูไหมเวลาเราหายใจออกกำลังกายอ่ะโดนน่ยหนหายใจสั้นหรือยาวสั้นหรือยาวพอเราบอกอยากหายเหนื่อยให้ทำไงหายใจลึกๆผ่อนลมห้ใจยาวๆร่างกายเราจะ ล ม, มุนขึ้นทันทีใช่หรือไม่เพราะการสังเกตเห็นลมปรุงแต่งกายนี่ไงมันคือการสังเกตไปเรื่อยๆแล้วเมื่อพระองค์สังเกตว่าพอพระองค์ทำกายให้ลำงับด้วยการทาลมให้มันสม่ำเสมอปุ๊บกายมันก็ตั้งมัน่นกายละงับใจก็เริ่มนิ่งปุ๊บท่านก็เห็นว่ามันก็เกิดปิติขึ้นเกิดสุขขึ้นเกิดความตั้งมั่นของจิตขึ้น เสร็จแล้วพระองค์ก็กลับมารู้ที <out monkey. S 2> ่ลมหายใจเข้าหายใจออกอีกเหมือนเดิมเราจะหายใจเข้าเราจาหายใจออกแล้วอะไอยู่วัคที่สองก็จบลงอย่างนี้วัคที่สามก็เริ่มต้นเราจะหายใจเข้าเราจากหายใจออกแล้วอะไรอยู่จึงเห็นจิตว่ามันคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้คิดอย่างมีราคาก็มีไม่มีราคะก็มีคิดเป็นโทสะก็มีไม่คิดก็มีคิดมีโมหะก็มีไม่คิดก็มีจิตมันตั้งมั่นก็มีไม่ตั้งมั่นก็มีจิตมันสั่สายก็มีจิตเป็นเช่นไรให้รู้เป็นเช่นนั้น นั่นคือการสังเกตเห็นใจตัวเองที่ออกในรูปของความคิดแต่ยังการย้อนกลับไปที่ไหนอีกจะเราจัหายใจเข้าเราจะหายใจออกแล้วและอยู่ในวรรคที่4ี่พูดถึงการเห็นสภาวะธรรมที่มันเกิดมันดับมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับจริงๆไอ้เกิดดับไม่เห็นมาตั้งแต่ตัวแรกยันตัวสุดท้ายนั่นแหละเข้าใจความหมายไหมแต่ทั้งหมดนั้นเป็นจากการสังเกตนี่คือวิธีการใหม่ ที่เกิดขึ้นในพุทธศาสนาไอ้ที่ไปมุ่งเรื่องความสงบมันเป็นสมาธิแบบเก่าเป็นแบบพรามเพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตค้นพบพระ อ, องค์จึงบอกว่าเราตัสรู้ในธรรมที่ไม่เคยมีใครบอกไม่เคยมีใครสอนคือพระ อ, องค์เห็นการทำงานของขันห้าเห็นการทำงานของการมีอุปทานในขัน คือเรื่องของอริยสัจ ส, สี่ทุกและการดับทุกที่มันเกิดในใจอันนี้ไม่เคยมีใครสอนไม่เคยมีใครบอกด้วยวิธีการของเราเองนั้นแปลว่าพระองค์มีวิธีของพระ อ, องค์ใช่ไหมไม่ใช่การปฏิบัติแบบหกปีที่ผ่านมาพราะวิธีการของพระ อ, องค์คือตั้งจิตแบบไม่ได้หวังอะไรไม่ต้องการอะไร แล้วสังเกตการมันไปเรื่อยๆนี่ทั้งหากเพราะหลายคนที่บอกว่าเขาก่อนนู้นปฏิบัติมันดีอย่างนี้ปฏิบัติมันดีอย่างนี้คราวนี้ไม่เห็นมันดีเหมือนคราวที่แล้วนั่นทําไมมันไม่ได้ผลเพราะมันมัวแต่ไปตั้งเป้าให้เป็นอย่างที่มันคิดมีภาพในใจตัวเองคือความสงบเมื่อตัวเองเคยได้ตอนนั้นว่าเป็นตัวบีบคั้นตัวเองหาได้ค่อยๆเรียนรู้ไปแต่ละขณะว่าขณะนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเรา เรียนรู้กับมันเห็นมันเข้าใจมันเรียนรู้กับมันเห็นมันเข้าใจมันทีละขนาดทีละขณะไปเมื่อ น, นั้นการประจักษ์แจ้งจะค่อยๆเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้ น, น, นอันนี้ต่างหากว่ายายตะเกียกตะกายเอากินของเก่าอยู่นั่นนะ่ะเข้าใจไหมเป็นผีบ้าจก ก, กบรู้จักผีบ้าจกกบไหมคนบ้าได้ยินเสียงกบร้อง กลางคุ้งมันเดินตามไปมันเห็นรูมันก็ล้วงมือเข้าไปได้กบมากินไหมได้วันหลังมามันเดินมากูก็ล้วงรูเดิมอยู่นั่นน่ยมาวันหลังก็ล้วงรูเดิมอยู่นั่นเนี่กบมันเอาไปกินตั้งนานแล้วมันยังจะล้วงรูเดิมเอากบไปกินมันจะได้ไหมนี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมแบบผีบ้าจกกบจะกินกบตัวเดิมอยู่นัเอาไปกินตั้งนานแล้ว เอาไปกินตั้งสามปีที่แล้วยังมาเที่ยวจกอยู่นั่นนะ่ยยังเที่ยวจก ก, กบมาสามปีแล้วมันกินเว้นกับปีสามปีแล้วยังมาจกปีนี้ยังมาจกอยู่นี่แหละมันยังไม่ก้าวหน้าการปฏิบัติเข้าใจไหมเพราะการปฏิบัติมันต้องเข้าใจให้ดีโอ้ตอนพระอาจารย์มาเข้าใจตรงนี้แล้วถึงได้โอ้มีหน้าทาไม ทำไมในพุทธประวัติถึงชอบพูดตอนจังหวะนี้อยู่เลยเพราะพอพระองค์เดินข้ามไปน้ำํำในลัญชาลามานั่งลงที่โคนต้นสีมหาโพธิ์พระองค์ระลึกถึงวันที่พระองค์หนีออกจากงานแรกนาะขวัญตอนเจ็ดขวบมานั่งดูลมหายใจเข้าหายออกที่โคนต้นว่าเฮ้ยทําไมทําไมพุทธประวัติต้องพูดเรื่องนี้พูดตอนนี้พูดตอนนี้พูดตอนนี้ อ, นนอ๋อนี่เองคือจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนคือต้องย้อนกลับไปว่าเด็กเจ็ดขวบนั้นไม่ได้หวังอะไร ไม่ได้ต้องการอะไรแค่ฉันจะนั่งดูลมหายใจแล้วมันเกิดอะไรขึ้นฉันจะสังเกตมันไปเรื่อยๆนี่คือจุดเปลี่ยนจริงๆวิชาวิปัสสนาเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้นี่คือต้นกําเนิดของวิปัสสนาต้นกําเนิดของวิปัสสนาคือตรงนี้คือทำมันไปเรื่อยๆแล้วสังเกตไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวิปัสสนาจึงใช้คาว่า watch and observe เห็นแล้วก็สังเกตมันเพราะนั้นการที่เราจะเห็นได้คือเอาใจกระบวนอยู่กับเนื้อกับตัวมันจะเห็นอาการของกายอาการของใจสังเกตเห็นอาการของกายอาการของใจสังเกตเห็นกระบวนการเกิดขึ้นว่ามีเหตุปัจจัยใดเข้ามาเกี่ยวเขา้าเฮ้ยมันเริ่มเห็นจริงๆนี่คือการสังเกตแต่ถ้ามันไปมุ่งเรื่องสงบไปมุ่งเรื่องสงบก็เหมือนพวกพราหมณ์อะทำกันมาหลายพันปีไม่ให้มีใครเป็นพระพุทธเจ้า ทำกันมาหลายพันปีไม่มีใครเป็นพระพุทธเจ้าผู้ชายคนหนึ่งหลงทางอยู่หกปีกับเส้นทางแบบนั้นแต่แค่คืนเดียวที่ทำถูกทางมันเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตนะหลงบูเทียนปฏิบัติปฏิบัติก็มุ่งสงบมุ่งสงบเขาพาสำนักนั้นบอกให้ทำแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้ จนสุดท้ายงมันไปได้แค่นี้หรอไม่เอาดีกว่าต่อไปนี้เราจะเดินมันเฉยๆแล้วจะดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแค่เดินแล้วรู้กับการเดินเฉย ๆ, ๆแล้วดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกับที่เจ้าใจศรีสธาคิดว่าเราจะนั่งดูลมหายใจเฉยๆแล้วดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วคืนนั้นคืนเดียวตัดสินเลยหลวงปู่เทียนกล้ายืนยันเลยว่าท่านผลทุกข์ ภายในคืนนั้นคืนเดียวเนะเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดไม่ใช่ทำยังไงให้มันสงบได้อาจารย์ฝึกมาเยอะเรื่องการทำให้มันสงบทำทุกวิถีทางเก่งด้วย สรรหาวิธีด้วยสารพัดคิดได้ไงทำลมหายใจให้เป็นท่อไหลเข้าไหลออกจริงจริงนั่งดูองค์พระในท้องก็ทำนั่งเพ่งกสินก็ทำทโทรก็ทำทำอะไรลอย่างแต่มั น, ม, นมันก็มันก็ได้แก่ตะเกียรตแต่กายไปเพื่อสงบแล้วคิดว่า ความสงบนี่เป็นผลการปฏิบัติแต่เอาไปเอามาสุดท้ายมันติดในความสงบมากๆมันปฏิเสธที่จะคล้องเกี่ยวกับโลกก็เลยมองเห็นว่ามันไม่ใช่ละ่ะก็เลยค่อยๆคลายออกแล้วก็มาสุดท้ายม า, มาเจอหลวงพ่อคำเขียนแล้วก็เปิดใจรับสิ่งที่หลวงพ่อคำเขียนบอกว่าตั้งใจทำทีละครั้งรู้ทีละครั้งจบลงทีละครั้ง นี่หลักการง่ายๆเลยนะแค่รู้เนี่ยการเคลื่อนไหวเนี่ยทีละครั้งตั้งใจทําทีละครั้งรู้ทีละครั้งจบลงทีละครั้งแต่ขณะที่อาจารย์ตั้งใจทําทีละครั้งรู้ทีละครั้งจบลงมันกับพระอาจารย์เข้าไปเห็นกระบวนการทํางานของกายของใจที่แยกจากกันว่าเป็นคนละงงานคนละอยา่างจากนั้นเพราะออาจารย์เข้าไปเห็นกายแสดงความเป็นทุกข์มันแสดงให้เราเห็นในอาการกิริยาต่างๆ ความเป็นทุกข์แห่งกายได้ปรากฏขึ้นให้เห็นพอมองเข้าไปที่จิตในรูปแบบของความคิดจึงเข้าไปเห็นการทำงานของสัญญาขันสังขารละขันแล้วจึงเห็นตัญหาอุปท า, านที่เข้ามาในขณะที่ขันมันทำงานอ๋อนี่เองเรียกว่าอุปท า, านในขันควรเห็นไหมถ้ามันไม่สังเกตมันจะเห็นอย่างนี้ไหมมันไม่มีหรอก ปิบัติแบฟวดเข้าไปบรรลุธรรมแล้วไม่ใช่นะ <c oughs> เคยเห็นคนเพศพูพดประเพศนี้มีดวงธรรมปรากฏขึ้นดวงธรรมเข้ามาหาตัวเข้ามาอยู่ในตัวสว่างสวัยรู้แจ้งเห็นพระพุทธเจ้าจ้าน้มันกัญชาไดยไหม ได้เห็นชัดเร็วไม่ต้องเสียเวลานานเข้าใจไหมดมกาวก็ได้ถูกกว่าเยอะนันันเป็นเรื่องที่แบบไปไปหลงกับไปหลงกับความคิดไปอยู่กับความคิดไปอยู่กับอะไรก็ไม่รู้ การเห็นธรรมผู้เจ้าจําการเห็นธรรมนั่แหละคือเห็นเราเขาว่าเห็นธรรมคือเห็นปฏิจจสมุปบาทเขาว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นกระบวนการปรุงแต่งเห็นการทํางานของการเห็นการปรุงแต่งของจิตเห็นกระบวนการที่มันเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์อุปทานขึ้นแล้วเข้าใจกระบวนการเหล่านั้นดับตรงนั้นลงได้อันนี้เรียกว่าเห็นธรรมเห็นปฏิจจสมุปบาทจึงชื่อว่าเห็นเราตถาคต ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าในรูปของรูปร่างหน้าตาเข้าใจมั้ยไหมบางคนบวกถ่ายรูปพระพุทธเจ้าได้จ้าบางคนบอกพระพุทธเจ้ามาแสดงคำปรดจ้า หลายคนปฏิบัติที่เข้าสมาธิแล้วพอมนสงบมากๆปุ๊บกายมันหายไปมันมืดไปหมดแล้วกายมันหายไปเลยนะเสร็จมันมีตารมหายใจผูบาผบา บ, าบาใครเคยเห็นอาการนี้บ้างยกมือขึ้นเคยไหมเคยเนาะบางทีเขาข็กสอนอีกนะว่าถ้าเห็นแบบนี้แล้วแปลว่านี่ไงเราไม่มีตัวตน นี่ไงบ่งบอกถึงความไม่มีตัวตนของเราเมื่อก่อนเราไม่รู้เรื่องเนาะเราก็คิดว่ามันใช่แต่พอออกจากสมาธิมาเอา้ามีเหมือนเดิมนี่วะ่ะ เอาเลยตอนเขาสมาธิมันหายไปเราก็เลยเข้าใจว่าเราไม่มีตัวตนแล้ว อ, ออกมาทีไร เ, เอ้ามันก็มีนี่วะยิ่ก็ยังเจ็บอยู่แล้วมันใช่ไหมคำสอนแบบนั้นใช่ไหมไม่ใช่ที่อาการที่มันไม่เห็นตัวเราก็นั่งหลับนั่งหลับตาไง อันดับแรกคือมันนั่งหลับตาเลยมองไม่เห็นอันดับสองก็คือมันตกเข้าไปข้างในมันตกเข้าไปข้างในมันไปแน่วแน่โยกอารม์หายใจเข้าออกมันจึงไม่รับรู้เรื่องอาไต่างๆนั่นคืออาการของจิตที่มันแนบเข้าไปกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเข้าใจไหมมันยึงตัดทุกอารมณ์ที่จะมาเกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วไปจับแต่อารมณ์นั้นอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้าว่าไม่มีตัวตน ใช่เพราะเราไปจดจ่ออยู่กับลมหายใจ กมันก็คืออาการที่มันทำให้เราเห็นว่าพอใจไปจดจ่อรับรู้อะไรบางอย่างในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเนี่ยมันจะไม่รับรู้อารมณ์อื่นทั้งหมดอันนี้คือชัดเจนนะทีนี้ในภาวะแห่งความไม่มีตัวตนมันไม่ใช่เรื่องการตัวหายไปแบบนั้นมันจะเห็นภาวะแห่งความมีตัวตนกับความไม่มีตัวตนไอตอนที่ตอนที่มันเกิดความคิด แห่งความมีตัวตนไปรองรับกับอะไรนี่แหละแล้วมันจะเป็นทุกข์เสร็จแล้วถ้าถ้าเราในในในในลักษณะเดียวกันถ้าเราไม่มีตัวตนไปรองรับกับสภาวะตัวนั้นมันก็ไม่เป็นทุกข์อันเนี้ยมันจะทําให้เราเห็นชัดเลยว่าอ๋อคําว่ามีตัวตนกับไม่มีตัวตนมันคืออาการอย่างนี้มันไม่ใช่อาการตัวหายแต่ ไอ้ที่มันมีตัวตนแล้วไม่มีตัวมันเป็นความคิดเข้าใจไหมมันไม่ใช่ตัวหายโอเคเนาะวิหารธรรมจำเป็นต้องเป็ น, ต, ปนต้องเป็นอันเดียวหรือไม่เพราะไม่สามารถอยู่กับวิหารธรรมอันใดอันหนึ่งได้นาน วิหารธรรมจำเป็นต้องเป็นอันเดียวหรือไม่เพราะไม่สามารถอยู่กับวิหารธรรมอันใดอันหนึ่งได้นานเยี่ยมมากที่เห็นอย่างนี้ทำไมมันไม่สามารถอยู่กับวิหารธรรมอันใดอันหนึ่งได้นานเพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ <laughs> อันนี้คือเห็นอย่างริษถ้าเห็นอย่างอาจารย์นะเยี่ยมมาก นะเธอแต่ไม่เห็นอย่างอาจารย์ก็ยังไม่เยี่ยมยังต้องไปเยี่ยมกันอยู่ต้องไปเยี่ยมไปให้กำลังใจกันอยู่อะไรก็ได้พระพุทธเจ้าท่านมันหยาดเรื่องลมหายใจเขาออกเรื่องอิริยาบถใหญ่อิริยาบถ ย, ย่อยข้าใจอยางไงเนี่ยแต่ให้เราทำไปทำมาสลับไปให้ ร, รับรู้อยู่กับอากัปกิริยาของกายนี่แหละ การยกมือสร้างจังหวะเมื่อทำไปนานกลายเป็นความคุ้นชินจะทำให้จิตเตลิดออกไปนานจริงๆแล้วเคล็ดมันอยู่ที่ว่าตั้งใจทำทีละครั้งรู้ทีละครั้งจบลงทีละครั้งแต่ถ้าคุณเวี่ยงไปเรื่อยๆมันก็กลายเป็นความเคยชินแต่ถ้าทำอย่างอาจารย์บอกว่าตั้งใจทำทีละครั้ง เห็นไหมกับฉันทำมานานแล้วเธอเนี่ยฝึกมาสิปีแล้วเนี่ยยกมือไม่เคยผิดเลยนะแต่เธอก็ยังไม่เข้าใจเลยนะคืออะไรเนี่ยทำทำไมเนี่ยแต่เก็ยังศรัทธาอยู่นะศรัทธาหลวงพ่อเชื่อหลวงพ่อเขาบอกหลวงพ่อบรรลุฉันก็อยากบรรลุเหมือนกันเนี่ย มันคุยได้เป็นวักเป็นเวรมันไม่ผิดเลยเข้าใจยังแต่ถ้าทาแบบอาจารย์นะบางคนบอกอเวลาอาจารย์ยกมืออาจารย์ก็ยังพูดสังเกตไหมเวลาอาจารย์พ <EX> ูดทีเรื่องอาจารย์จะหยุดที่หนึ่งแล้วพูดพูดแล้วเข้าใจไหม ตั้งใจทําทีละครั้งรู้ทีละครั้งไปบางคนบอกทํำชาวประจัญมันเพ่งไหมเพ่งก่อนดีไหมอย่าเพิ่งกลัวว่าจะเพ่งให้มันเพ่งจริงๆก่อนเถอะแล้วค่อยๆคลายออกแหมชอบจังผูป้ปฏิบัติบางกลุ่มนะเพ่งไปเปล่าจะเพ่งไหมหรือจะไม่เพ่งมันจะ ชีวิตนี้ถ้าเองกลัวเพ่งอยู่อย่างเดีย ว, วไม่ต้องทำอะไรแล้วใช่ไหมไม่ต้องไปกลัวว่าจะเพ่งหรือไม่เพ่งขอให้เราตั้งใจทำเพ่งก็คลายมันออกลง อ, อย่าไปกลัวมันนะ การทำวิปัสสนากรรมฐานนั้นนอกจากได้การรู้จิตการรู้กายการลดทุกข์ดับทุกข์นั้นแล้วได้บุญด้วยไหมคะได้สิบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพาตัวเองออกจากทุกข์นี่แหละไม่มีบุญใดจะยิ่งใหญ่เพราะจึงเรียกว่าภิกษุผู้ปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์นั้นเป็นเนื้อนาบุญของโลก ท่านแปลว่าจะเป็นเนื้อนาบุญก็ต้องมีบุญเต็มเปี่ยมใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นบุญที่ยิ่งใหญ่ก็คือบุญที่พาตัวเองออกจากทุกข์เป็นบุญที่เกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มากตรงนั้นเคยได้ยินมาว่าบุญนี้สามารถจะสะสมค้ามพบค้มชาติได้จริงหรือไม่คะเคยได้ยินมาว่าบุญนี้บุญไหนบุญจกกรรมฐานใช่ไหม สามารถสะสมข้ามพบข้ามชาติได้จริงหรือไม่สามารถตัดพบตัดชาติได้เลยบุญจากวิปัสสนาเนี่ยนะไม่ต้องตอบภพต่อชาติเลกตัดพบตัดชาติไปเลยในการปฏิบัติช่วงบ่ายช่วงที่ทำครั้งที่สองช่วงที่ทำอะไรอะ ครั้ง <créer> ท <noise> ี่สองตอนที่นั่งนานมากแล้วเราเห็นว่าปวดขาแต่ใจจดจ่อกับการทําจังหวะ14บจังหวะทําให้เห็นว่ามีขีดเส้นใต้มีความปวดขากายแต่จิตจดจ่อการปฏิบัติ14บสจังหวะจิตสภาวะนี้ใกล้เคียงที่จะนําไปสู่การแยกกายแยกจิตมาแค่ไหนสาธุเห็นไหม นี่ไงแล้วก็จะมองเห็นว่าอ๋อกายมันแสดงอาการความเป็นทุกข์ได้เอ็นเนี่ยใณะที่ใจมันไปจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวมันไม่ได้ทุกเนี่ยมันไม่ได้มองแค่แยกกายแยกจิตมันมองทุกกายทุกจิตออกด้วยว่ามีทุกกายแต่ไม่มีทุกจิตจิตก็่จำเป็นต้องเป็นทุกข์กับกายก็ได้แตมันแยกกายแยกจิตได้เห็นชัดอยู่แล้วตรงนี้ ใครที่ถามมานมโมธนาด้วยฝึกดูอย่างนี้บ่อยๆเขาใช้คำว่าเห็นเขาขีดเส้นใต้คำว่าเห็นนะเห็นใช่เลยน ะ, นะมีภาวะผู้รู้ได้เกิดขึ้นกับคุณแล้วภาวะรู้ได้เกิดขึ้นชัดขึ้นยานที่เห็นกายเคลื่อนไหวเห็นกายแสดงออกมีเวทนาเกิด ข, ขึ้นกับกายเห็นจิต ที่ไปรับรู้กับกรรมฐานอยู่ที่การเคลื่อนไหวสิบสีจังหวะแล้วก็เห็นอีกว่าจิตนั้นไม่ได้เข้าไปเป็นทุกข์กับความทุกข์แห่งกายแต่มีภาวะรู้อยู่อันเนี้ยใช่นะให้ฝึกอย่างเงี้ยทำอย่างงี้บ่อยๆเนาะโอเคไหมหรือว่าจะสายเรื่องอันนี้สัหน่อยตอบคำถามมาซะยาวเลยขยับตัวสัหน่อยไหมแก่เมื่อย เปลี่ยนเดินชมกลมหน่อยอ่ะเดินทีละเก้ามันเตรียมนะเหมือนยกมือส้ายีา่หทีเหมือนเจ้าชายศิตธาหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าเป็นกรรมฐานหนึ่งครั้งหายใจออกเป็นกรรมฐานหนึ่งครั้งแค่รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วสังเกตกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เหมือนการเราแค่เดินทีละเก้า รู้ทีละก้าจบลงทีละ9้าแล้วสังเกตทุก อ, อย่างที่เกิดขึ้นที่กายที่ใจค่อยๆทำไปเรื่อยๆโอเคเนาะทำแล้วเดินขณะจะให้ร่วงผ่านไปเสียพระเจ้าทรงตัดคโนโวมาออปจักคาเนี่ยขณะจะให้ร่วงผ่านไปเสียเนี่ยถ้าเราสังเกตดูก็คือการปฏิบัติของเราเนี่ย ที่พระอาจารย์พยายามบอกพวกเราก็คือขณะที่เราทำอะไรก็ตามเรารู้สึกตัวกับสิ่งที่ทำนั้นอยู่เกิดอาการใดขึ้นก็ตามในขณะนั้นให้เราเ ห, เห็นมันเห็นมันสังเกตมันเรียนรู้มันทีละเรื่องทีละขณะทีละปรากฏการเข้าใจไหมอย่าไปตั้งเป้าว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ การตั้งเป้าว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ปฏิบัติให้ได้อย่างนั้นให้ได้อย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นีน่คือหลุมพรางที่บันดักตัวเองไว้มันจะทำให้เราไม่ได้เรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มันจะทำให้เรามุ่งไปเอาผลที่เราตั้งเป้าไว้โดยที่เราไม่ได้เรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเวลาเราปฏิบัติเราก็มีเป้าหมายของเรานั่นแหละ เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราควรทำคือเราค่อยๆไปทีละก้าวแล้วก็สังเกตจาสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ตั้งเป้าไว้แล้วก็ตะเกียกตะกายตะวิตะบันไปให้ถึงเป้านั้นโดยที่เราไม่ได้เกิดการเรียนรู้อะไรเลยเข้าใจไหมนั่นแหละคือสิ่งที่อยากให้สังเกตถึงบอกว่าวิธีการแบบนี้มันเป็นวิธีการที่ทาให้เกิดการทา สมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปสมถะคือการเอาใจมาตั้งที่ฐานวิปัสสนาคือการสังเกตเห็นว่าเมื่อใจตั้งที่ฐานเป็นอย่างไรใจลงออกจากฐานเป็นอย่างไรใจกับคืนสุฐานเป็นอย่างไรในขณะเดียวกันกายที่เป็นฐานเนี่ยมันมีอาการใดปรากฏให้เห็นใจมีอาการใดปรากฏให้เราเห็นอย่างเงี้ยเข้าใจไหมการสังเกตเห็นอย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนา เพราะฉะนั้นสมถะและวิปัสสนามันจึงเป็นสิ่งที่คู่กันไปเข้าใจไหมการเอาใจกลับมารู้เนื้อรู้ตัวมาอยู่กับฐานเนี่ยเรียกว่าสมถะภาวะที่มันรู้เท่าทันทุกอาการที่ปรากฏขึ้นในกายในใจเรียกว่าวิปัสนามันคู่กันมันไม่ได้ทำาทียรย่าง หลายคนหลงไปเข้าใจคิดว่าต้องทําทีลรอย่างทําสมถ า, าก่อนเงี้ยจริงมันทำสมถ า, าก่อนคือเอาใจไปไว้ที่ฐานเนี่ยสมถะทาก่อนจริง <laughs> ไม่ได้ผิดเข้าใจไหมแต่ว่ามันเข้าใจผิดอีกว่าทําสมถ า, าก่อนคือทําสมถะให้ได้แบบต้องเข้าสู่ความสงบไพ่ได้นั่งนิ่งดิง่งลงไปให้ได้แล้วค่อยยกจิตเข้าสู่วิปัสสนาอย่างเงี้ย บางทีทั้งชีวิตก็ไม่อาจจะทําสมถะได้เลยถ้าเอาสมถะแบบนั้นใช่รามถ้าเราลองคิดดูดีๆว่าในวันที่พรุทธเจ้าทรงแสดงธรรมนี่ยมีใครเข้าสมาธิระดับลึกอยู่ไม่มีเลยพระุทธเจ้าสแสดงธรรมจบรวมปุ๊บภิกษุเหล่านั้นก็บรรลุธรรมผู้ฟังธรรมเหล่านั้นก็บรรลุธรรมทั้งนั้นแปลว่าในขณะที่พพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมนั้นไม่มีใครเข้าสมาธิระดับลึกเลย เพราะถ้าเขาสมาธิระดับลึกมันจะรู้เรื่องไหมก็เหมือนที่บอกได้แหละหายตัวหายไฟนั่นแหล ะ, หหหละฉะนั้นมันไม่ใช่เพราะในขณะที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมนั้นเขามีใจที่อยู่ที่ฐานแล้วก็เห็นอาการที่ใจรับรู้กับสิ่งที่กระทบก็คือเสียงพระพุทธเจ้ารับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นที่มันปรุงแต่งขึ้น เห็นกระบวนการเหล่านั้นเป็นไปนตามคำสอนของพระองค์เขาก็ตามกระบวนการนั้นไปสังเกตไปเรื่อยๆจนเห็นอาการเป็นไปนตามดังที่พระพูทมีพระภาคเจ้าทรงตรัสทุประการความเข้าใจอย่างฉังแทรก็เกิดขึ้นความเข้าใจอย่างถ่องแทรก็เกิดการบรรลุธรรมขึ้นตรงนั้นไม่ใช่การนิ่งถ้าจนขนาดนั้นไม่ใช่แต่ถ้าเอาแม่เอาใจมาไว้ที่ฐานเวลาฟังธรรมพระพุทธเจ้า ไม่ตั้ง ไ, งไังไม่ตั้งกรรมาฐานขึ้นเพื่อฟังธรรมเป็นไงโอ้ไปไหนเขาไม่รู้อีกใจก็ฟุง้งไปเรื่อ ย, อยใช่ไหมเพราะนั้นในขณะที่เราฟังธรรมเราก็มีใจอยู่ที่ฐานเพื่อจะเห็นใจเวลามันเกิดการกระทบทางเสียงครูบาอาจารย์พูดเหนมันปรุ ง, รงเห็นมันนั่นเป็นนี่เป็นนั่ น, นเห็นมันน้น เห็นกระบวนการทำงานของขันที่มันทางานของมันอันเนี้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าการปฏิบัติเพื่อเห็นความจริงไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้เป็นอย่างที่ใจต้องการแต่ปฏิบัติเพื่อเห็นอย่างที่มันเป็นเข้าใจไหมปฏิบัติเพื่อเห็นางอย่างที่มันเป็นไม่ปฏิบัติเพื่อให้มันเป็นอย่างที่ใจเราต้องการ เพราะถ้าปฏิบัติอย่างที่ใจเราต้องการปุ๊บมันก็ไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าเพราะมันมีคำว่าอย่างที่ใจเราต้องการเพราะว่าอย่างที่ใจเราต้องการแปลว่ามันคืออัตตาอยู่ตลอดเวลาเลยใช่หรือเปล่าถูกไหมแต่ถ้าเห็นอย่างที่มันเป็นเนี่ยมันจะเริ่มเข้าสู่ความเป็นอนาาัตตามันตั้งเป้าไปที่อนาาัตตาชัดเจนละเห็นอย่างที่มันเป็น แต่ถ้าทำให้มันเป็นอย่างที่ใจเราต้องการให้เป็นเนี่ยมันเพิ่มมันไปอยู่ในฐานของอัตตาชัดๆเลยนะไปะไปทานข้าว